ศาสนาหรือศินธรรมมีอยู่มีอยู่ในที่ใดที่นั้นร่มเย็ยนมีอยู่ในบุคคลใดผู้นั้นอารมณ์เย็ยนศาสนาจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับโลกที่ต้องการความร่มเย็ยนเป็นสุขเพื่อความต้องการความสุขความเจริญ แต่ไม่มีศาสนาซึ่งเป็นแนวทางที่ถูกต้องดีงามเป็นเครื่องดำเนินแล้วจะหาผลคือสิลที่ตนต้องการนั้นไม่เจอนออหลักของศาสนาทางเหตุก็แสดงแนวทางที่ถูกต้องดีงามแต่ผู้มุ่งหวังความมุ่งหวังผลคือความสูขความเจริญอยู่แล้ว ศาสนาจึงจําเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ต้องการความสุขความเจริญทั้งภายนอกและภายใ น, นยิ่งมนมุษย์เราอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะด้วยแล้วศาสนาก็ยิ่งมีความจําเป็นเพื่อความสงบร่มเย็นแต่ส่วนรวมเพียงกฎหมายบ้านเมืองเท่านั้นไม่พอพ้องมีที่รับที่จแจงศาสนาแล้วไม่มี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 มากน้อยเพียงไร น, นั่นขึ้นอยู่กับจิตใจของแต่ละคนนะคนเพราว่าศาสนาเป็นค่าศีลต่อความเห็นแก่ตัวคือเป็นความเห็นเสมุภาคเห็นคนอื่นกับเรามีคุณค่าเหมือนกันมีความสำคัญเหมือนกันจนกระทั่งสัตว์ก็มีคุณค่าและมีความสำคัญเช่นเดีวยวกับมนุษย์คือมีค่าไปนคนละทางละทางเช่นดังชีวิต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 และต่างคนต่างมีต่างคนก็ต่างปกครองตนได้แล้วก็ไม่กระทบกระเทือนผู้อื่นเพราะต่างคนต่างปกครองตนเอนด้วยสื่อธรรมอันดีมาเท่วีท่านกล่ <c oughs> าวไว้การใดที่าศาสนาไม่มีระยะใดที่ไม่มีาศาสนาเลยระยะ น, นั้นท่านว่าเป็นพืนเป็นไฟเป็นหมดทั้งทั้งที่มนุษย์ก็เป็นมนุษย์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 เขาก็มีคุณค่าของเขาในความเป็นดูหากหายชีวิตหากชีวิตไม่แล้วไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลก็ต้องตายหมดคุณค่าหมดราคาไปในขณะนั้นเช่นอยู่กันธรรมของพระเจ้าจึงแผ่กระจายไปทั่วทุกสัตว์บรรดาที่มีวิญญาณคลองให้เห็นความร่วงคันปไปด้วยกันทั้งนั้นให้เดืยดเบียนมให้ทำลายไม่ให้ทำความกระทบกระเทือนซึ่งกั น, นกันตลอถึงสมบัติ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 ก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะสาเหตุที่จะเกิดขึ้นเราก็ทราบแล้วว่าไม่เห็นความรําคันของคนอื่นเห็นแต่ความร่วงพันของตัวท้องตนถ่ายเดียวที่จะถูกลึกอผินั้นไม่คำหนึ่งนี่เราพูดถึงภาคทั่วไปสำหรับศาสนามีความร่วงพันต่อโลกที่อยู่เป็นหมู่เป็นคณะให้เห็นความร่วงันของกันและกัน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 จึงต้องอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องนาเนินให้เหมาะสมกับคําที่วรรคตนปฏิบัติบํารุงรักษาตนด้วยความถูกต้องโดยอาจเดยธรรมขอจะเป็นไปเพื่อความถูกความเจริญแก่ตนสมกับคมวรรคนตนขอ ง, งตนแท้ดังเราทั้งหลายที่มาประพฤติปฏิบัติศิ่งธรรมอยู่เวลานี้ก็คือความรักตนโดยธรรมคือเป็นความถูกต้องให้ถีกเดี่ยวก็เรื่องกิจ บ, บ้านการเดือนเนาะก็ทราบด้วยกันทุกคน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 คอบครทราบเรื่องหลักเราได้ดีทั้งภายนอกภายในจึงต้องมีความสนใจในอัตในธรรมที่จะเป็นสาระสำคัญแก่ตนเพื่อเป็นต้นทุนในวาระต่อไปอีกตลอดถึงปัจจุบันและอนาคตให้มีความบกพร่องดะนั้นจึงต้องในอุตสาหอบรมบําเพ็ญคุณงามความดีมีกิตตภาวนาเป็นต้นซึ่งเป็นหลักใหญ่ของศาสนาหรือเป็นหลักหลักใหญ่ของการรักษาตนการส ม, สมกับการรักตนการสมนุนตน เรีว่าเป็นการบำรุงที่ถูกต้องหรือถูกทางถิ่ให้จิตได้รับผลเป็นที่ถุงพอใจจากการบำเพ็ญกิตตภาวนาอาหารของจิตก็ได้แก่ธรรมธรรมได้เผยขึ้นได้ด้วยเหตุใดก็เกิดขึ้นด้วยการบ ำ, บำรุงให้ถูกอัดถูกทำเช่นการบำเพ็ญคุณงามความดีวัตถุสิ่งนั้นๆที่เราทำทานลงไปจาคหรือเสียสละลงไป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 เป็นโอชารสอันหนึ่งที่จะย้อนเข้ามาสู่จิตใจของผู้ทาและอารมณ์เนืออาหารอันนี้ไม่มีสถานที่อยู่ไม่มีสถานที่เกาะไม่มีที่เก็บนอกจากจิจเป็นภาชนะอันสาคัญหรือเป็นตู้เป็นหีบเป็นอะไรก็แล้วแต่สาหรับบรรจุความดีทั้งหลายที่ตนเป็นผู้สร้างขึ้นมาได้แก่กิตเป็นผู้บ่งการในงานที่ชอบทั้งหลาย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 จึงต้องหาวิธีสรางครอบหาวิธีแก้ไขดัดแปลงให้ได้อาหารที่ดีขึ้นมาคือความถูกต้องในงานนั่นแหละจะเป็นผลให้เกิดความอาหารที่ดีขึ้นมาภายในจิตใจคือมีความสงบเย็นใจไปโดยลำหนักลำหนักเมื่อได้รับการบำรุงรักษาจากเจ้าของอยู่จิตจะต้องมีความเยือกเย็นจิตที่มีความเยือกเย็นโดยลำหับนีแหละคือจิตมีธรรมในใจก็เรียกมีอาหารประจาใจก็เรียก นับตั้งแต่ส่วนน้อยไปถึงส่วนมากจะต้องปรากฏขึ้นที่ใจและจะิดอยู่ที่ใจถ้าชนะคือใจก็ฟองใสเข้าโดยลาดับท่านจินสอนให้ภาวนาคำว่าภาวนาไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องใหญ่โตมากบรรดางานทั้งหลายที่เราเคยผ่านมา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 เพววื่อความสุขความเจริญความหลุดพ้นหรือความสุขอันสมบูรณ์นี่เป็นจุดมุ่งหมายของเราเมื่อเรามีจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้แล้วอย่างนี้เราก็พยายามดําเนินเหตุให้เป็นไปตามแบบแปลนแผนถังที่เราคาดเอาไว้โดยถูกต้องผลจะคืนปรากฏขึ้นโดยลําดับจิตจะเศร้าหมองขนาดไหนเคยเศร้าหมองมานานเท่าไหร่แต่มืดนิจติตาขนาดไหนก็พ้นความสว่างอย่างที่ทททเราบําเพ็ญอยู่ โดยลำดับลำดับไปไม่ได้จะต้องปรากฏเป็นความสว่างเป็นความสงบเย็นใจขึ้นมาในวาระนหนึ่งซึ่งเป็นผลและสว่างสวัยขึ้นมาเรื่อยๆแล้วปรากฏอยู่ที่จิตนี้ด้วยไม่ต้ปรากฏอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนก็เย็นอยู่ที่ไหนก็สบายอ้าวสติปัญญาพิจารณาขอดถอนสิ่งใดที่เป็นเสี่ยนเป็นหนามเมื่อจิตมีความสงบพอสมควรแล้ว แต่คาว่าสงบในสถานที่นี้หมายถึงความสงบโดยธรมยธรมดาของจิตไม่ได้หมายถึงความสงบที่จิตหยาบลงไปสู่สมาธิแล้วปล่อยงานทั้งหลายในขณนะนั้นขณะเช่นนั้นให้ปล่อยไว้ตามความจริงตามธรรมชาติของจิตที่สงบเพราะจิตมีความสงบเช่นนั้นเป็นไปได้ในการโทนนาขณะที่ปล่อยงานปล่อยจริงๆก็มีปล่อยหาดไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือแต่ความรู้ล้วนๆที่เป็นของอัศจรรย์เท่านั้น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 พินาเอาอข้างนอกก็เป็นเรื่องเหมือนกับภายในพินาภายในก็เหมือนภายนอกประสัดประสานกันได้ทุกจัตุกส่วนไม่มีอะไรที่จะผิดแปลกแตกต่างกันคําว่านิจังทุกขังอาตากระเทือนทั่วโลกคาถาจะไม่กระเทือนอยังไงความจริงล้ น, ล, นล้วนทางนั้นเป็นแต่เพียงว่าจิตของเราฝืนคติธรรมนาจึงก่อทุกข์ตนได้เรื่อยเหตุที่จะฝืนธรรมดานั้นก็เพราะนัานต้องกิเลสต้องท้าให้ฝืนไม่ใช่เราตั้งใจจะฝืนเอง พิเรศจึงเป็นภัยต่อจิตใจของสารโลกตลอดมาไม่ว่ามากว่าน้อยมีมากมีน้อยอย่างไรต้องเป็นค่าสื่อนั้นพระพุทธเจ้าที่ถอนให้สอดให้ถอด ใ, ให้ถอนสิ่งที่เป็นภัยออกมีใครที่จะสอนดีสอนดีสอนละเอียดสุกคุ้มกับพินภาพสอนโดยถูกต้องมั่นยายิ่งกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีในสามโลกธาตุนี้ะนั้นจึงควรเป็นาศาสดาของโลกได้โดยไม่ต้องสงสัยบังธรรมทั้งกล่าวไว้ว่าศรัทธาเทอมนุษยนะ์สาร เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเราเพียงจะเป็นครูสอนเรายัางไม่ได้แต่พระพุทธเจ้านั้นสามารถเป็นครูของโลกทั้งสามได้เพราะความถูกต้องมันยังโอวาทของพระองค์นั่นแหละเราเชื่อพระพุทธเจ้าจ ะ, จะยากลำบากตามอุบายวิธีที่ท่านสอนไว้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 ศรัทธาความเพียรของเรามากพิเรย์ก็อาพับไปโดยลําดับลำดับแล้วขาดสลายไปเห็นไปจักรพนรจิตใจนี้อีกด้ว ย, ยาการภาวนาจิตเป็นการประกาศตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเวลานี้จิตของเราเป็นอย่างไรมีความสุขความทุกข์ความมุ่งมัน่นลำคาญมากน้อยเพียงไรดูจุดสําคัญเนี่ยกองแห่งความวุ่นวายก็อยู่ที่นี่โรงงานแห่งความวุ่นวายก็อยู่ที่นี่มันปิดขึ้นทุกวนัน โรงงานแห่งการทําลายวัตจักรที่หมุนอยู่ภายในจิตใจก็ตั้งขึ้นเทคนิคคือตั้งขึ้นที่สติตั้งขึ้นด้วยปัญญาหมุนไปด้วยความภาคเพียรความอดความทนชู้กันไปไม่ถอยเมื่อผู้ต้องการจะเดินตามสเสด็จพระพุทธเจ้าแล้วต้องเดินตามธรรมของพระองค์พื้นธรรมของพระองค์ก็คือเป็นการก้าวเดินตามกิเลส น, นั่นเอง ขณะที่เราฝืนทำก็เป็นขณะที่ศาสนาอาภัพไปแล้วจากตัวของเราขณะที่มีความเจริญรุ่งเรืองพนาจิตใ จ, จรักศีลรักธรรมรักความภาคเพียร น, นั่นเป็นขณะที่ศาสนามีอยู่ภายในตัวของเราเราจะได้รับความร่มเย็นเป็นสุกเป็นลำดับลำ ด, ำ ด, ำดำับขัมมาสมาธิ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 ไม่ใช่ความสงบของไทยเป็นผลของเราเองความสุขประเภทนี้เป็นเป็นผลของเราเองนี่ชื่อว่าเราทําเพื่อเราถ้าไปคาดตันหมายเรื่องอื่นมาเทีย่ยังของตนดีไม่ ด, ดีมาทําลายของตัวเองให้เสียไปด้วยพราะจริตนิสัยไม่เหมือนกันแล้วจะมาบางังคับให้เหมือนกันได้อย่างไรเนี่ยตอนที่มันเป็นคาสึกต่อเราเราต้อง ร, ระมัดระวังชื่อนั่นเป็นอย่างหนึ่งคําว่าสมาธิ องของสมาธิแท้เป็นอย่างห น, นอันหนึ่งเราจำมาคือสมาธิเป็นก็ได้ความจำรู้ได้ความจำสมาธิสิ่งที่เป็นขึ้นภาณใจิตคือความสงบเงยือกเย็นนั่นเป็นความจริงปรากฏขึ้นกับเราเราทำความเข้าใจไ่าอย่างนี้เพียงสมาธิคือความสงบร่มเย็นนั้น ถ้าธรรมดาแล้วเป็เรื่อว่าพออยู่พอกินไม่กวนกวายไม่รำสาั่งรมสายไม่เดือดร้อนวุ่นวายจิตเย็นสบายทําหน้าที่การงานอะไรก็เย็นสบายอยู่ ป, ปกติก็เย็นสบายนี่เรียกว่าพออยู่พอกินถ้าเราเอกเพียแนแค่เราผู้มุ่งเพียงแคนนี้กพ็พออยู่พอกินแต่คนเราจะมามุ่งอะไรเพียแนแค่นี้เราคนขนาดกษัตริย์นี่ยเราต้องพยายามขึ้นโดยลำดับสมบัตินี้มีคุณค่ามากขนาดนี้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 ขนาดนั้นมีความสุขขนาดนั้นสมาธิขั้นนั้นมีความสุขขนาดนั้นนะแล้วก้าวทางปัญญาปัญญาเป็นการบุกเบิดบุกเบิดีเด่เรก อ, อาสวะที่หมอบหรือที่สงบตัวอยู่ภายในาจิตใจนึกเกี่ยวเนื่องกับสิ่ ง, งใดแยกแยะออกให้เห็นชัดเจนด้วยปัญญาธรรมนาจิตที่เป็นสมาธิจะมีความแน่วแน่หรือมีความรู้อยู่โดยลําพังตัวเองเท่านั้นประเด็นว่าไม่เกี่ยวข้องกับอะไรไม่ติดข้องกับอะไรทั้งนั้นมีแต่ความรู้ล้นล้วนอยู่ คำว่าความรู้ล้วนๆนั้นมันแทรกอยู่ได้อุปทานที่เราไม่รู้ตัวเลยเพราะปัญญาจังไม่มีในขณะนั้นเนื่องจากเรายังไม่ได้ใช้ปัญญาจึงต้องอาศัยปัญญาคือการคิดค้นพิิจพิจารณาถากขันเที่ยวเยี่ยมป่าช้าไปในร่างกายของเราเที่ยวไปเขาลูกนั้นเขาลูกนี้ขึ้นภูเขาหภูเขาภูเราเนี่ยวาง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 มีความเจะจงเอาสติเป็นผู้บังคับงานความภาคเพียงหนุมเข้าไปโดยลําดั บ, ด, บงงดูทั้งขง้างบนข้างล่างดูทั้งขง้างนอกดูทั้งข้างในนี่คืออุบายวิธีที่จะพยายามถอดถอนอุปทานที่เขาไปแทรกอยู่ทุกชิ้นบรรดาวิวะที่มีอยู่ในร่างกายของเราแต่เราไม่ทราบว่าอุปทานมีมากน้อยอย่างไรมีเท่าตัวของเราเนี่ยอุปทาน นอกจานัน้นมันออกเคล็คว้าอานนู่นอันนั่นออมาเป็นของเราอันนี้ก็มาเป็นของเรามันคว้าไปหมดเลือไปหมดเราไม่รู้เพราะก้าวทางด้านปัญญาแล้วที่นี่จะค่อยทราบถ้าย้ายดูรูปภายนอกรูปภายในดูสมบัติท่าสถานต่างๆนนอันนั้นเป็นนั้นอันนั้นเป็นนั้นแยกเห็นเห็นตามเป็นจริงต่างอันต่างอยู่ถอยตัวเข้ามาด้วยความเข้าใจแล้วเข้ามาพิจารณาส่ร่างกายก็ดู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 ไปด้วยอุบาต่างๆดังที่กล่าวมานี่เพื่อค่อยถ อ, ยถอนอุปทานออกมาเรื่อยๆ ร, รู้มากน้อยเพียงไรอุปทานจะถอนตัวออกมาเรื่อยๆนี่อุบายของปัญญาเมื่อปัญญาได้พิจารณาอย่างนี้ความสงบของจิตยังมีแคล้วคลาออกเอาไปด้วยอำนาจของปัญญาเข้าใจแล้วเข้าใจ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 สัญญานั่นคืความหมายหมายนั้นหมายนี้จานั้นจนํานี้แล้วถือความจําเป็นตนถือความจําเป็นสมบัติของตนออว่าตนจำํจำดีจําดีอะไรต่างๆนานาเลยถือเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาทั้ง ๆ, ๆที่มีแต่ลมแต่แล้งนี่คือความสําคัญของจิตเราก็ให้ทราบตามความจำมันนี้ซักแต่ว่าจําจําแล้วก็ลืมไปเช่นเดียวกับสิ่งอื่นแล้วหายไปเช่นเดียวกับสิ่งอื่นแน่นี่คือการพิจารณาทางปัญญา ไม่ใช่ทั้งหนึ่งครั้งเดียวพิจนาเป็นการเป็นงานจริงๆอยู่นั้นแหละเป็นงานของใจเอาจนเข้าใจาเมื่ อ, อยังไม่ชัดยังไม่ปล่อยวางกันเมื่อไรก็เป็นงานของเราอยู่ตลอดไปพิจนาแบบนี้สั้งขานสั้งขานนอกเราก็เห็นสังขารธรรมเป็นของไม่เที่ยงภายนอกก็เห็น ช, าชาัดมันไม่เที่ยงก็เห็นชัดังขานภายในอะไรมันเที่ยงอ้า ทังขานนั่งกายนี่มันก็ไม่เที่ยงกับกองทุกข์กับ อ, อนัตตาอย่าไปแตะต้องอย่าไปยึดไปถืออนัตตาไม่ใช่ของใครทั้งนั้นเนี่ยบอกแล้วปฏิเสษว่าเป็นตนเนี่ยั้งขานมันปรุงขึ้นปรุงขึ้นเท่าไรมันก็ดับปรุงดีก็ดับปรุงช่วงก็ดับปรุงกลางๆ ก, ก็ดับดับเป็นขณะดขนาในขณะที่ปรุงก็ในขณะที่ดับก็ไปพร้อมพอมกันเราจะเอาเป็นสาระแก่สารเอาเป็นเราเป็นของเรา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 ทางตาทางหูทางจงมูกทางลิ้นทางกายจากคูุเสียงเป็นรดเครื่องสัมผัสที่ก็มาเกี่ยวข้องกันจิจเป็นผู้รับทราบในขณะที่สิ่งนั้นมาสัมผัสนี่ก็มีเพียงเท่านั้นพอทราบและพอดับไปพร้อมพร้อมพรมเนี่ยเอาสาระแก่นสารอะไรสุดท้ายก็อยู่กับความรู้อันเดียวนี่แต่ความรู้อยู่ฉะนั้นอาการทั้งหลายที่รับทราบแบบนี้มันก็ดับไปหมดเพราะเป็นอาการไม่ใช่ตัวจริงตัวจริงก็คือจใจเป็นผู้รู้ พิจารณาให้ทราบชัดโดยลำดับกี่ตลบทบทวนไม่สําคัญถือเป็นการเป็นงานพิจนารณาแล้วเทิน อ, อยู่ด้วยการพิจนานรณาเทินอยู่ด้วยการเข้าใจเนอยู่ด้วยการถอดถอนโดยลําดับลําดับพิเลศ จ, จะขนาดไหนเล่าก็ขนาดที่มีอยู่ภายในตัวนี้เท่านั้นเมื่อถอดถอนทุกวันพิจนารณาทุกวันหุดค้นทุกวั น, น, ท, วนทําลายไปทุกวันพระเจ้าพิเรศที่ไหนมามากมากกาก่อง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 มันหุ้มห่ออีกที่จิตโดยเฉพาะมาเผากันที่ตรงนี้ถูกไหม้ทิพย์หายไปหมดด้วยตปะธรรมคือความแผดเผาทีนี้อะไรเหลือี่ยกิเลสสิ้นไปก็รู้ว่ากิเลสสิ้นไปเนี่กิเลสสิ้นไปหมดไปโดยสิ้นเชิงก็รู้ว่ากิเลสสิ้นไปโดยสิ้นเชิงผู้รู้ที่ว่ากิเลสสิ้นไปโดยสิ้นสิ้นเชิงนั่นแหละคือผู้บริสุทธิ์แล้วถึงทนโทษไม่มีโทษอะไรอีกต่อไป ถึงจะอยู่ในขันกระทบรูปเสียงตื่นลดเครื่องสัมผัสก็สราบแต่ว่ากระทบรับทราบไปเพียงเท่านั้นหมดความหิวโหวยเพราะถึงขั้นพอตัวแล้วความสุขที่เกิดขึ้นมาในธาตุในขันก็ทราบเพียงความเกิดขึ้นของความสุขเรียกว่าสุขเวทนาทุกเวทนาที่เกิดขึ้นในธาตุในขันก็เพียงรับทราบว่าทุกเวทนาเกิดขึ้นเท่านั้น ดับไปก็รับทราบตั้งขึ้นก็รับทราบตั้งอยู่ก็รับทราบเนี่มีแต่เพียงรับทรบาบละทราบตามความจริงของเวทนาตามความจริงของสรัทธธรรมทุกตส่วนเนื่องจากตนถึงความจริงโดยสมบูรณ์แล้วในหลักธรรมชาติคือความบริสุทธิ์ต่าบแตจากสิ่งที่ไปเกี่ยวข้องโดยประการทั้งปวงนี่ท่านเรียกว่าจิตพอตูวสลัดปัดทิ้งทั้งหมดบรรดาที่เป็นสิ่งสมมุติอันไม่เป็นที่ไว้ใจ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 การสนองในเมื่อวิบากขัดขันเรามีอยู่ก็ต้องมีบุญอันนี้ต้องตามสนองกันไปเป็นธรรมราเี่ยเป็นอย่างพระพุทธเจ้าหรือสาวกก็มีอุปนิสัยต่างๆกันพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ไหนก็มีแต่คนสักการะบูชาเต้มไปหมดเนี่ยหรือพระศรีวาีท่านเป็นผู้มีอัตเลกัลลา ม, มากเพราะอะไรเพราะผลแห่งบุญของท่านที่เคยสร้างมา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 อเิเลกาลาบท่านก็ไม่เสียใจท่านผู้ไม่มีอเตเลท่านผู้มีอตตเลกาามากท่านก็ไม่ดีใจท่านไม่ฟุ้งเฟ้อเหินท่านไม่ลืมตัวท่านทราบตามความจริงทั้งหมดนี่หมายถึงความพอภ า, ายจในจิตใจนี่แหละาำ่า บ, บุญกุศลที่สงกะระชงไปอย่างนั้นเรื่อยๆตามอำนาจแห่งกุศลที่เคยสร้างมาทั้งแต่กลับใดกันใดก็ตามก็ตามมาสนับสนุนมาเรื่อยๆท่านจะยินดีไม่ยินดีก็ตาม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 ปกติตันอยู่ผู้สามารถที่จะรู้ได้เร็ววิบากิตันอยู่ถัดๆกันลงมาเดินตามม อ, อกันไปเนยะผู้กวรแนะนําสั่งสอนได้หลายครั้งละผมก็สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้ปัทภป ร, ะะประมะหูวหวกตาบอดทั้งวันทั้งคืนทั้งยืนทั้งเดินทั้งนัง่งทั้งนอนแล้วชีวิตยังมีอยู่ก็ไม่มีความหมายใดเลยเพราะยอดโมฆะบูโมฆะสัตติ ไม่มีสารอะอันใดเลยภานจิตใจเรียกว่าปะทะประมะมืดแปดด้านคนประเภทนี้ศาสนาเข้าไม่ถึงพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงสั่งสอนถ้าเป็นโรคก็เรียกว่าโรคหมดอะไรเนีวยที่จะหาอยู่ขายามารักษาหายพื้นนี่เปนไม่มีทางนอกจากเอาเข้าอะไรเาเรียกห้องไอซียูเลยังที่ว่านั้นต่มันคอยอยู่เท่านั้นเองนี่ เราไม่ใช่คนประเภทนั้นอย่างน้อยก็ปะทัพประมะโอ้บอย่างน้อยก่อนเนยยะเป็นผู้ควรแนะนําสั่งสอนเลยเราก็ควรแนะนําสั่งสอนเราได้เราได้รับคำของพระพุทธเจ้ามาตักงสอนตนเองก็พอแนะนําสั่งสอนตเอ น, อนตเองได้ครูบาอาจารย์ก็มาสอนเราได้เน่เป็นเนยยะคือควรทั้งนั้นควรผู้ปฏิบัติตนได้เต็มตามสติกําลังของตนจึงเรียกว่าเราอยู่ในมัชชิ ม, มาก่อทุกคนอยู่แล้ว ให้ดำเนินมัชฌิมานีม้มีความสามารถแก่กล้าจนทะลุ ป, ปูโโปรงไปถึงขั้นปูกรีดแห่งมัชฌิมาคือมัชฌิมาหลักธรรมชาติได้จากความพอตัวอันเป็นศูนย์กลางเสมอไม่มีการมีสมัยเข้าไปเกี่ยวข้องเลยเรียกว่าอาการลิกกจิตอาการลิกาธรรมอาการลิกาธรรมก็หมายถึงามาทำโมปิโปที่ปรากฏอุพัภายในจิตอย่างกระจ่างนย่างชนี้กระจ่างแจ้ง อาการยาใจจิตไม่มีการสถานที่ใดๆที่เขาไปเกี่ยวข้องหรือทำลายจิตใจนั้นให้เองให้เองไปได้เลยนี่ผ้นในการปฏิบัติศาสนาเป็นอย่างนี้ขอได้นำไปพิจิรณาและการแสดงธรรมของโมส็พวก